บทภาชณีติกะปาจิตตี250เวลาวิการภิกษุสําคัญว่าเป็นวิการเคี้ยวของเคี <sm ash> <men> ้ยวหรือฉ <passwords> ันของฉันต้องอบัตตปาจิตตีเวลาวิการภิกษุไม่แน่ใจเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันต้องอบัตตปาจิตตีเวลาวิการภิกษุสําคัญว่าเป็นการเคี้ยวของเคี้ยวหรือฉันของฉันต้องอบัตตปาจิตตีติกะทุกกฎภิกษุรับประเคนยามากาลิกสัตตาหากาลิกยาวาชีวิก ไว้เป็นอาหารต้องอบัตทุกกฎฉันต้องอบัตทุกกฎทุกๆคำกลืนการภิกษุสำคัญว่าเป็นวิการต้องอบัดทุกกฎการภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุกกฎการภิกษุสำคัญว่าเป็นการไม่ต้องอบัต